เห็นเมตตาบารมีเป็นอันดับที่เก้าซึ่งพระผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายพระองค์เหล่านั้นแต่ก่อนๆซ่องเสพกันมาเป็นประจำเมตตาคือความคิดจะต้องน้อมนำทุกน้อมนาประโยชน์และความสุขเข้าไปให้สัตว์ทั้งหลายผู้ที่มเมตตาคือคนที่ไม่คิดจะฆ่าไม่คิดจะลักไม่คิดจะประพฤติผิดในกรรม น้อมนําทั้งวัตถุทานอภัยทานนําประโยชน์และความสุขไปให้แต่ผู้อื่นอยู่เสมอท่านจะต้องเดินบนเส้นทางนําแต่ประโยชน์และความสุขเข้าไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายเรียกว่าเมตตาเพราะฉะนั้นเห็นเมตตาเป็นลําดับที่เก้าที่พระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายทุกพระองค์ก่อนก่อนซ่ อ, นองเสพปฏิบัติกันมาอย่างนี้ทุกองค์สั่งตัวเองเลยบอกว่าท่านจงสมาทานเมตตาบารมีเป็นอันดับ9้านี้เอาไว้ให้มั่นก่อน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 กิจของบารมีแต่ละอย่างสภาวะของบารมีแต่ละอย่างแผ่นพสุธาตในหมื่นโลกธาตุก็วันไหวเพราะเดชแห่งธรรมเดชแห่งบารมีธรรมเดชแห่งการอธิษฐานเดชแห่งการสมาานเดชแห่งสติปัญญาที่เกิดจากการใคร่ครวนตั้งมั่นอธิษฐานในการบำเพ็ญบารมีแผ่นดินก็แผ่นดินยังสะดุ้งเลยว่างั้นนะแผ่นดินก็ไหววันไห ว, ว, ไวส่งเสียงร้องเหมือนยนเนี่ยหีบอ้อยบีบอ้อยเหมือนเครื่องยนต์บีบอ้อยอะนะ แผ่นดินไหวเหมือนลูกหม้อในยนต์คั้นน้ํามันงาเช่นั้นนะลูกล้อแหละใช่แผ่นดินหวันไหวเหมือนลูกล้อในยนต์คั้นน้ํามันงาเช่นั้นเนี่ยนะเหมือนลูกกลิ้งอะนะลูกล้อก็ลูกกล้งที่มันเกล้งไปกลิ้งมาแผ่นดินหวันไหวเช่นั้นบริษัทที่อยู่ในที่เฝ้าพระพุทธเจ้าก็สั่นงินงกอยู่ณนะที่นั้นพากันสลบสไลด์อยู่เหนือพื้นดินคือตอนนั้นกําลังจะถวายอาหารให้พระพุทธเจ้าฉันพอดีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ขึ้น หม้อเป็นอันมากหลายร้อยหลายพันก็กระทบกันและกันแหลกเป็นผงณที่นั้นห ม, ม้ อ, อยังแตกเลยนะมหาชนก็หวาดสสดุงกลัวกลัวละก็กลัวสะจนลนลานกลัวอย่างยิ่งพากันประชุมเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโอ้ยเกิดอะไรขึ้นนีมนพระพุทธเจ้ามาฉันทำไมแผ่นดินมันวันไหวหม้อแตกกระจายขนาดนี้ น, นะก็เลยถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักสุ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 ให้สมความปรารถนาเธอแปล ว, ว่าท่านปรารถนาสิ่งใดก็ข อ, ขอให้สมปรารถนาเธอที่จริงโดยทั่วไปเนี่ยบอกโอ้ยผู้นี้เป็นพระโพธิสัตว์ให้พระโพธิสัตว์ให้พรใช่ไหมแต่นี่ไม่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไปช่วยกันให้พรพระโพธิสัตว์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 ความโศกจงหายไปโรคจงพินาศไปอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่ามีแก่ท่านสับ พ, พีดีโอวิวัตชันตุความจังรายทั้งปวงจงบำราดไปเป็นต้นนะนะสับ พ, พโรคโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพวัตวันตรายโย อ, อันตรายอย่ามีแก่ท่าน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 ขอท่านจงประกาศพระธรรมจักฉะนั้นเถิดดวงจันทร์ในปราตรีเพนเต็มดวงรุ่งโรจน์ฉันใดท่านมีมโนรสคือความปรารถนาเต็มแล้วจงรุ่งโรจน์ในหมื่นโลกธาตุฉนั้นเถิดเนี่ยนะดวงอาทิตย์พ้นจากราหูแล้วย่อมรุ่งรุ่งโรดด้วยแสงฉันใดท่านพ้นจากโลกแล้วก็จงรุ่งโรดด้วยสิริฉะนนั้นเหมือนกันเถิด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 ขอให้สิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้แก่เขาพูดถึงในสมัยศาสนาของพระพุทธเจ้าทีปังกรนั้นอภิสมัยการตรัสรู้ครั้งแรกพระพุทธเจ้าทรงยังเทวดาและมนุษย์ให้ตรัสรู้ร้อยโกรธร0อยโกรธพระพุทธเจ้าของเราเท่าไหร่18บแดโกรธใช่ไหมครั้งแรก18โกรธของพระพุทธเจ้าทีปังกรนี่ร้อยโกรธในอภิสมัยครั้งที่2พระโลกนนาทรงยังเทวดาและมนุษย์ให้ตรัสรู้เกโกรธ ในสมัยใดพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในภพเทวดาภพเทวดาก็คือแสดงอะไรอภิธรรมโปรดพุทธมารดานะโปรดเทวดา 90,000 ืโกดสมัยนั้นอภิสมัยครั้งที่3 90,000 โกดสาวกสันิบาตของอนานการประชุมสาวกโดยมิได้นัดหมายของพระพุทธเจ้าทีปังกรมี3ครั้งครั้งที่1ประชุมสาวกแสนโกดเมื่อพระชินเจ้าประทับสงัดนาภูเขานารทกโกดอีก พิษุร้อยโกธเป็นพระขีนาสพปราศจากมนทินก็ประชุมกันสมัยใดพระมหาวีระมหามุณีทรงประปววณาออกพรรษาแล้วพร้อมด้วยพิสุเก้าหมื่นโกดณภูเขาสุทัศนะทีนี้อันนั้นคือเกี่ยวเรื่องราวกับพระพุทธเจ้าพระนามวัตีปังกรพระพุทธเจ้าเล่าถึงพระองค์นะพระพุทธเจ้าของพระองค์นี้นะพระองค์เล่าว่าในสมัยนั้นเราเป็นชดินมีตะบะสูง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 ทุกเมื่อปกติอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็ประมาณ500รูปเนี่ยนะปัญจมะเตหีพิกุสเตหีโดยมากพระองค์ก็500รูปแต่พระพุทธเจ้าทีปังกรก็ประมาณส0 0 0สนรูปสมัยนั้นภิกษุเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นพระเสขะยังไม่บรรลุปเป็นพระอรหันต์เช่นเป็นพระสกาทาคามีโสดาบันสกาทาคามีอนาคามีละพบมนุ ษ, ษย์ไปภิกษุเหล่านั้นย่อมถูกครหาโอ้ยทํรราอะไรอยู่เนาะไม่เป็นพระอรหันต์ซากทีอย่างนั้นก็ถูกเขาก็ครหานะ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 หังสาก็คือหงอะนะพระสาตวดุจหงเหมือนกันสองโกนจาก็เหมือนช้างโกนจนานะโกนจามายุราป็นนกยูงปราสาส์นกยู ง, รยงเรียกพระราชวังนกยูงไงนะพระองค์มีสนมนารีสา 0,000 ล้วนประดับกายสวยงามมเหสีนะมเหสีเอกชื่อว่าปทุมาราชโอรสของพระองค์นาว่าอุพระขันทกุมารกระว่าผู้มีกองที่งดงาม พระองค์ทอดพระเนตรเห็นนิมิตสีประการแล้วก็เสด็จพนวดด้วยพระยานคือช้างต้นช้างต้นบำเพ็ญเพียรอยู่10เดือนเต็มก็ตรัสรู้เป็นพระชินเจ้านะบำเพ็ญทุกรกกิริยา1ิเดือนครั้นทรงประพฤติประธานจริญได้ตรัสรู้พระสัมโพธิยานเป็นพระมหามุนีทีปังกรสมพระไทยแล้วคือคือปฏิบัติจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ผู้อันพระพรมทรงอาราธนาฮ น, นพรหมมาจะโลกาธิปฏิสามปฏิก็ไปอาราธนาพระมหาวีระชินะพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักแล้วประทับอยู่ณ น, นันทารามประทับนั่งที่ขวงไม้ศึกทรงกระทําการทรมานกระทํ า, ท า, ท า, ทาทการฝึกเดรถัถยแล้ว น, นะก็ฝึกเดรถัถยผู้มีลัทธิอื่นให้นับถือพระพุทธศาสนาะ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 มีอัคระอุปถายิกาชื่อว่าสิริมาและโสนาพระทีปังกรมหามุนีสูงประมาณแต่สิบศอกสง่างามเหมือนต้นไม้ประจําทวีปเหมือนต้นพระยาสาระออกดอกบานเต็มต้นฉนั้นพระองค์มีพระสมีแผ่ไปโดยปกติสิบโยต์นะพระองค์ของเราก็หนึ่งวาใช่ไหมนี่สิบโยต์โดยรอบพระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นมีพระชนมายุประมาณแสนปีแต่จริงๆ เขาบอกว่าพระพุทธเจ้ า, ายุนในยุคสมัยอายุแสนปีจริงแต่พระองค์จะมีอายุแป0หมื่นปีหมายค้าว่า4ส่วน5นะพระองค์จะมีชีวิตยอยู่แค่4ส่วนหของอายุจริงพระองค์ทรงพระชนอยู่ถึงเพียงนั้น พระองค์ทรงพระชนอยู่ถึงเพียงนั้นคือประมาณ 80,000 ปีนั้นเนี่ยนะจึงทรงยังพระสัตยร์ ร, รมคือโพธิปักคิยธรรมหรือปรยิยติศัตย์จรทำให้รุ่งเรืองอยังมหาชนให้ข้ามโอกคสงสารชื่อว่าทรงยังชนหมู่มากนะหมู่เป็นอันมากให้ข้ามพ้นโอกคสงสารเนี่ยนะช่วยสรรพสัตว์ให้บรรลุมากมายนะตอนนั้นเราทําอะไรกันอยู่เนาะเสียสงไข่ที่แล้วเขาบรรลุกันเยอะแยะไปหมดเลยนะ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 ว่างจากความเที่ยงจรังยั่งยืนแท้ว่างจากความสุขที่แท้สังขารทั้งหลายไม่ได้เที่ยงแท้แน่นอนอะไรขนาดพระชินะศาสดาทีปังกรยังดับขันปรินิพานณนะพระวิหารนันทารามพระพุทธเจ้ายัางปรินิพานพระอรหันตสาวกยังปรินิพานจะเอาอะไรกับสังขารเล่ากันชินะสถูปคือเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นณนะนันทารามนั้นสูงประมาณสามโยน์ พระสทูปนั้นบรรจุบาจีวรบริคารเครื่องบริโภคของพระาศาสดาตั้งอยู่ณโคนโพพึกครั้งนั้นสูงสมโยต์ต้นโพของพระพุทธเจ้านี่สูงสโยต์เนี่ยนั้ น, ะ น, นก็พระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ผ่านไปนะ คือพระพุทธเจ้าพานามวัตถีปังกรพร้อมทั้งพระศาสนาของพระองค์ก็ผ่านไปส่วนรายละเอียดอธิบายตามอัตถกถาทั้งหลายก็เป็นพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะอธิบายเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพานามวัตถีปังกรตั้งแต่ท่านสุมเมศบัณฑิตเป็นต้นมาอีกครั้งโดยพิสดารวันนี้ก็อ่านบาลีให้ฟังโดยย่นย่อพอสังเขปนะสหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้